อย่าบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อก็บังคับจิตให้มันอยู่กับพุโทโธเหมือนกันสามารถให้มันอยู่ได้เป็นหลายหลายชั่วโมงบางทีมันไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายหมดแต่ภายหลังมันไม่เป็นอย่างนั้นพอพุโทโธพุโทโธสองสามครั้งความคิดมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งภายหลังมาเนี่ยเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ จะพยายามบังคับให้มันหยุดนิ่งเหมือนอย่างเก่ามันไม่ยอมหยุดหนักๆเข้ามันปวดหัวมัวกล้าวขึ้นมามันเกินเครียดในที่สุดก็เลยตัดสินอ้าวแกจะปรุงจะแต่งจะคิดไปถึงไหนเชิญเลยจะบ้าก็บ้าไปดีก็ดีไปเพราะปล่อยไปปล่อยไปยิ่งคิดไปก็ยิ่งเบาไปเบาไปเบาไปลงผลสุดท้ายกายค่อยจางหายไป หรือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่สภาวะที่เป็นความคิดก็ปรากฏให้เรารู้เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับจึงมาได้ความหลวงพ่อก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะตั้งแต่อายุสิบห้าปีย่างจนกระทั่งผมเป็นสองสีถึงเข้าใจไม่ใช่ย่อยนะหนังสือคำพีต่างต่างที่เราเรียนมามันลืมหมดเพราะเราไปติดคาว่า ต้องทำจิตให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าเราให้จิตอยู่ว่างๆถ้าหากว่ามันจะหดหูหรือขี้เกียจก็เอาพุโทโธมาท่องมาท่องกระตุ้นเตือนมันพุโทโธพุโทโธพุทโธทีนี้มันทิ้งพุโทโธปับ๊บมันเกิดความคิดขึ้นได้ปล่อยไปหลักฐานในคัมภีร์เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว ไปค้นดูมีถมเถไป